พอพอเรามองมองอย่างนี้ไปเสร็จแล้วเริ่มจะเข้าใจอย่างนี้นว่าว่าอ๋อหนึ่งเราจะไม่เราจะไม่โต้แย้งกับใครอะไรเป็นประโยชน์ถูกคําสอนพอครูนะชาวพุทธไม่ขัดแย้งกับใครพระพุทธเจ้าไม่เคยขัดแย้งใครแต่พระพุทธเจ้าจะไม่เอ็งไปในสิ่งที่มันไม่ถูกแค่นั่นแหละแบบการต้องชั ด, ดเมื่มอเจอแล้วต้องมีสติแล้วก็รู้แล้ว เข้าใจแล้วว่าสติเนี่ยนก็คือธรรมนิยมธรรมิยที่ฉันนี้เองค่ะแล้วเราจะตื่นหรือพิจารณาอย่างไรในเรื่องของลูกภาษาก็คือในในในบทของพยาศัศีในขณะที่เราตั้งนังขึกนเคลียร์การเดินง่ายๆเออคืออย่างนี้นะเป็นต้นงี่ให้เรารู้ว่าต้องหมายความว่าเนี่ยมันเป็นอย่างนี้นะคือคืออย่างนี้ว่า ประเด็นมันต้องถามกันลงไปว่าที่จะคุยเนี่ยเราจะคุยเรื่องการเจริญสติปัฏฐานบับไหนฉะนั้นหนึ่งหนึ่งอาณาปานาบัพนี่เป็นกายานุปสัสสนาสานติปัฏฐานที่กำหนดลมหายใจเข้าและออกสองียาบทบัพการพิจรารณาียาบทสี่คือการยืนเดินนั่งนอนนี่เป็นบัพที่สองสามสัมปชัญญะบัพอันนี้พิจารณาสัมปชัญญะในฐานะเจ็ดใช่ไหมที่บอกว่า ก้าวไปถอยกลับคู่เข้าเหยียดออกแลตรงแลเหลียวแล้วก็กินดื่มเคี้ยวลิ้มทายอุจร้าปัสสาวะใช้ผ้า ส, สังฆติหรือใช้ภาชนะเนี่ยเป็นต้นเนี่ยแล้วก็มายืนเดินนั่ง น, นอนตื่นหลับพูดนี่ใช่ไหมครับทับบาลีกคาเต ที่เตมีสิ้นเนชาคาลิเตไล่ศัพ์ไ ป, ปเยอะเลยแต่เนี่ยแต่สรุปก็คือเนี่ยนีสัมผัสชัญนยาในฐานนะเจ็ดหรือจะพิจารณาปฏิกูลมรสิการบอบพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกไตหัวใจตับเป็นต้นลายไปตามลำดับหรือจะพิจารณาธาตุจะตูดอกธาตุวาัฏานพิจารณาธาตุดินธาตุน้ําธาตุไฟธาตุลมหรือจะไปพิจารณาป่าชาทั้งเก้า เขเริ่มต้งแต่ศพที่ตายแล้ววันสองวันเป็นต้นเป็นไปตามลาดับเป็นเอื้อจะกระดูกเป็นผุยผงอีกเก้าอย่างสรุปแล้วเนี่ยกายานุปัสสนานมีทั้งหมดสนะิบสี่มวสิบสี่มวดเวทนายอีกมวดหนึ่งจิตอีกมวดหนึ่งแล้วธรรมานุปัสสนาอีกหกรวมไปเสร็จก็เป็นยี่สิบเอ็ดบักอันนี้ก็เป็นหลังการเจริญทีทนี้คนที่เา เขาจะเจริญสติปัฏฐานเขาปรารถนาพน้นทุกข์ที่คนที่ปรารถนาพน้นทุกข์เนี่ยเขาก็ต้องมาฟังพุทธเจ้าฟังพุทธพจน์ให้ชัดก็ลองคิดดูยอมวิชาในการจัดหาข้าวใส่ท้องเนี่ยหาข้าวกินเนี่ยยอมเรียนอยูปีจีียอก็อจะได้ทำงานบริษัทเนี่ยก่อนหน้านั้นล้วต้องนับด้วย 2 4, 2> ส2 4สองบวกสี่บว อ, อีกสองแล้วบวกอีกสองท่านต้อเป็น ย, ยออะยยังไงบวกอีก5้าเลยวบางคนเนาะเนี่วิชาหาข้าวกินเอาขนาดวิชาอยู่ในพบนี้ยอมลงคุนเรียนขนาดนั้นแล้ววิชาที่จะออกจากสังสารวัตเนี่ยยอมเรียนหนึ่งชั่วโมง เ, เรียนห้าวันเนี่ยอเอามาเขามาเจออาจารย์หมอ อ<บ>าม <PTSD> าไปผ่ามือเนี่ยมือตรงนี้เนี่ยมือให้ผ่าก็ผ่าแค่ว่าท่านท่านช่วยสรุปข้อสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ผมฟังภายในห้านาทีก็ทําเรื่องเนี้ยห้านาทีอามาก็บอกหมอทำไปทำไปครับเอามาบอกหมออามากําลังจะพิจารณาอะไรผมเอามาเนี่ยหมออยู่ไปยุ่งเออหมอยุ่งยุ่งอะมาได้ไหมเนี่ยทําเลย เคื่อหมอก็ต้องการอยากจะคุยก็จะให้เราเปลี่ยนอารมณ์แล้ววันนี้ว่าเออหมออยี่ยทำไมมาสอนไม่เจ้าหมอก็ทําหน้าที่ของหมอเอามาเขาทำหน้าที่ของมาใช่ไหมถ้ามาก็จะวิจัยพิจารณาว่าเออไอรูป ก, กายเนี่ยมันไม่เที่ยงเป็นกู้เออมมันเป็นที่ตั้งของโรคหัวปีเป็นรูกศรมี ค, ความลําบากยังไงต้องมาผา่ามาตาัดเนีย่ยมาเจาะมาแทงเนี่ย บางองศากรรมมันล้างวใกใจๆนที่ทำมากลุ่มปางนาี่บาทม่ดีเลยว่าพิจารณาที่เห็นคุณอพระเจ้าเห็นโทษนสงสารวราใช่ไหมหมอก็มาชวนคุยจะให้เราสรุปคําสอนไป5นาทีคือเราจะผ่าไม่นานเท่าไหร่ผ่าเล็กๆพอนั่นเสร็จก็ไม่คุยทํำๆเสร็จก็จะไปว่หมอนั่งก่อนได้ไหมนี่เกตัวจริงเลยขอคุยหน่อย เมื่อกี้หมอจะให้อามานิสรุปคําสอนของพระสัมมาสมัมพุาาทธเจ้าภายในห้านาทีถามว่าหมอช่วยสรุปคําสอนของหมอวิชาหมอทั้งหมดภายในสิบนาทีหมอต้องทำไม่ได้เลยนะได้มาเข้าใจได้วยนะโอ้โหไม่ได้หผมเรียนมาทั้งสิบหไปีสิบเจ็ดปีเดียี่สิบปีอาจารหมอผ ม, นนออนน ม, มอเรียนก็บยี่สิบปีนะเนาะก็หมออันนี้วิชาพีคบนี้หมอยังใช้ลงทุนเรียนขนาดนี้ แต่วิชาออกจากทุกเนหมอจะให้มามาสรุปภายในห้านาทีถามหน่อยหมอปัญญาดีเท่ากับภาษารีบุตรไหมแล้วถามภาษาลีบุตรปัญญาดีกัน น, น, นาดไหนประว่าิภาษาลีบุตรฟังบอกบอกว่าเยธรรมมาเหตุต oh e ุปปภาวเตสังเหตุตุนตถาคโตอาหะเอสัญญายนิโรโทจเอวังวาทีมหาสมนุ ทำเหล่าใดมีเหตุเป็นแดนเกิดพระสมณเจ้าผู้ได้เจ้ากล่าวถึงเหตุและความดับเหตุหึงทำเหล่านั้นพระผู้มีพระเจ้ามีปกติตรัสอย่างนี้ฟังแค่นี้แกบรรลุันนี้หมอบรรลุไหมเนี่ยบรรลุไหมต้องหมอต้องยอมรับความจริงว่าหมอมึงหมอไม่รู้เรื่องหรอกถ้ามาท่องตั้งนานนี้จกว่าจะได้เย้เจอไหมล่ะ เราต้องยอมรับวพอเทจริงว่าวิชา่หมอไอ้วิชาหาข้าวกินยอมหม อ, อยงเรียนละบากยากเข็มขนาดนี้นีวิชาออกจากทุกเนี่ยเป็นไปไม่ได้ที่จะสรภปานนาทีแต่ถ้าหมอเจริญบารมีมันหนึ่งอสงไขยะเชื่อเชื่อเลยถามว่าหมอลองแค่วิชาทางโลกอะหมอเรียนมาทุกชาติแล้วมาชาตินี้หม อ, โ, อโหเรียนจน เงื่อตกเนะื้อกวจะได้มาเนี่ยเงื่อตกเนะืฉะนั้นวิชาของการออกจากทุกข์เนี่ยเขาต้องฟังกันนั่นแหละเพราะเออระบบชาวพุนเราเนี่ยเราอยากค้นทุกข์เร็วเขาจะให้อามาก็อยากจะพ้นเร็วถ้ามันมีสูตรสาเร็จเนี่ยอามาจะบอกทันทีเลยเนี่ยมันบอกได้แต่มันสําเร็จไม่ได้นงโย่ต้องยอมรับข้อเท็จจริงตรงนี้ด้วย เอามาใช้คําว่าอยากไปอยากคนทุกโดยอุบายที่ไม่ชอบโดยเหมือนกับแน่ปรารถนาอยากจะพิสูจน์บุตในคำโดยอุบายที่ไม่ชอบเอามีดผ่าท้องตัวเองอยากจะรู้ว่าลูกเป็นหญิงเป็นายแล้วก็อยากจะรู้ว่าอริยมรรคมันเป็นยังไงอิพานเป็นยังไงเข้าใจนะแต่มันมีอุบายเป็นไปตามลําดับคําสอนนะเข้าใจตรงนั้นแต่พูดไม่ใช่ให้ท้อพูดเพื่อให้เพี้ยน สถาวัายยอมแก่แล้วเพียงยังไงแล้วมาบอกแล้วใครบอกให้แก <c oughs> ใครบอกให้แกบอกอ๋อไม่ได้บอกเราเป็นแก่เองแก่ยิ่งดีใช่งไหมล่ะความประสบปกาตามที่เราผ่านมาแหละมันจะตัวเรื่องเราทําให้เราเบื่อทุกข์เอาคนแก่ดีนะเพราะเราจะได้เห็นทุกข์เยอะๆมันจะได้เบื่อหน่าย ใช่ไหมเราคอยเราเบื่อทุกข์จริงๆเนีพระพุทธเจ้าชอบนะพระพุทธเจ้าจะบอกเลยนะบอกว่าที่ตถาคตบำเพ็ญบารมีมา20ประสงค์ขายยิ่งด้วยแสนมหากับก็เพื่อคนเช่นเธอนี่แหละคนประเภทที่เบื่อทุกข์มานี่แหละออยากจะออกจากทุกข์นี่แหละสังเกตดูไหมตอนนางประตาจลาเนี่ยถามว่านางประตาจลานี่เจอปัญหาเยอะไหมชีวิตของเธอเงินกันรวย นางปตาจราที่เขาเจอปัญหาเยอะั้มนางปตาจลาเนี่ยเป็นลูกของเศรษฐีหนีตามสา ม, มีพอหนีไปเสร็จปุ๊บไม่ได้ถูกชุดนะแต่หนีตามเขานางปตาจารานี่นะฮิฮิฮิฮิฮิฮิฮิฮิฮิฮิฮิฮิฮิฮิฮาฮิฮาฮนฮิฮิฮิมิฮิฮิฮิฮิฮิฮิฮนฮิดิฮิฮิฮิฮิฮิฮิฮิฮ พอหนีไปแล้วไปไปอยู่กับผู้ชายใช่ไหมล่ะต่อมาก็ตั้งครันตัวนี้เป็นคนรวยเนี่ยพอไปอยู่ลําบากคิดถึงพ่อแม่ทำท่าหนีมากลางป่าสามีก็ไปตามขับมาใช่ไหมล่ะก็กลับมาคลอดพอคลอดพอเริ่มตั้งครันคนที่สองอีกอยากจะกลับอีกสามีก็พาไปนี่แหละที่เดินทางลอนแรง ม, มาแล้วก็มามืดฝนตกในป่านั่นแหละแล้วต่อมาก็มา จะมาคลอดคลอดตอนกลางคืนนึงสามีก็ไปหาอุปกรณ์ต่างๆมาดูงู ก, กัดตายใกล้ๆนั่นแหละทุกข์ไหมเนี่ยแล้วต่อมาตัวเองก็ต้องทำคลอดเองเนี่ยต้องนอนค่อมลูกอย่างกระอัวอย่างกรควายอ่ะคลอดเปเสร็จก็ต้องมาตัวเองเนียโอกลูกอยู่นั้นทั้งคืนตัวจนซี๊ด เลือดเล็งด่างท่านจะหมดตัวนะฝนก็นตกทั้งคืนจนสว่างมาไปเสร็จก็มาเห็นสามีตายต่ดหน้าตัดตาต้ อ, ต อ, อดูโถมอะนายต้องเจอจร่งหาทางออกมันไม่เจอเลยหอบลูกพลุนพลังจูงลูกคนโตนเดินร้องไห้ร้องไห้จนหมดน้ําตาร้องให้หมดน้ําตาพอมาถึงเอาน้ําเต็มอีกก็เอาลูกคนโตบอกลูกอยู่ตรงนี้เนะี่ อุ้มลูกคนเล็กเอาไปไว้ฝั่งนู้นใช่ไหมลูกเอาไปวางลูกไว้ฝั่งนูน้นเสร็จก็เดินมาครึ่งทางเยี่ยวก็มาเฉียวลูกคนเล็กนึกว่าเป็นเนื้อกวากมือเรียกตะโกนไล่เหี่ยวลูกคนโตนึวกว่าเรียกกระโดดลงน้ําตายตัวหน้าตัวตายเนี่ยกระสาย์จะเซินไปแบบนี้นึกกวัวจะออกจาป่าที่ข้อที่จริงกลัวจะออกจาป่าออกจาป่ามาไปเสร็จก็ ถามคนเดินผ่านมาก็อว่ า, าพ่อแม่อยู่ตรงไหนจําไม่ได้แลพอเออถึงชื่อพ่อแม่เขาบอกโอ้ยเมื่อคืนเนี่ยฝนตกพายุเธอรู้ไหมทําไมจะไม่รู้ฝนตกหนักขนาดนั้นไม่ใช่เพื่อคนอื่นเลยเพื่อชั้ น, นเิงโดยเฉพาะทาไมฉันจะไม่รู้มันกรรมของฉันโดยเฉพาะแนี่ยน้องตกมาตกมาทวิให้ฉันต้องทุกข์ทันตั้งคืนนี้จะตายอยู่แล้วทําไมยิงไม่รู้แล้ว เขาบอกอ๋อเศรษฐีกับภร ร, รยาพี่ชายเรือนทางไฟไหม้เผ า, า, าเรือนเลือทางทับทายหมดแล้วทั้งตระกูลเลยนี่ศพเขายังเผาอยู่เลยเห็น ไ, ไหมเหี้ยเลยผ้าเพืือก็ลสามีก็ตายใไหมให้ป่าเปลี่ยวลูกน้อยก็ถูกเหี่ยเฉยไปลูกคนโตก็จมนะ้ำ พ่อแม่พี่ชายก็ตายบนเชิงตะกอนร้องได้ไประโยชน์คนนี้เพ้อแก้ผ้าเดินพุทธเจ้าสแสดงธรรมนะพุ น, น, นพเจ้าก็บอกให้มีสติดูพุทธบา ร, รมีนะบอกให้มีสติเบิดเ็จเนี่ยก็มีคนโยนผ้าถูอเสภาพก้นเข้ามาร้องไห้กล่าวพุทธเจ้าบอกช่วยข้าพเจ้าด้วยทุก พระเจ้าดูก่อนปตาชะลาตถาคตบำเพ็ญบารมีม า, ายี่สิบผสมขายยี่สิบแสนครับก็เพื่อเธอนี่แล้วนี่เพื่อเธอนี่แล้ฉะนั้นพวกเราที่มันทุกเนี่ยพระเจ้าบำเพ็ญบาร ม, รรมีมาเพื่อพวกเราขอให้เราเข้าให้ถูกตามพววุทธโอวาทเถอดพระเจ้ามาช่วยพวกเราแต่เราเดินไม่เข้าถึงพววุทธโอวาทไหม นั้นถ้าเราเข้าถึงพุทธโอวาสีพุทธเจ้าราอาช่วยเราอยู่ไปเฝ้าท่านซิฟังพุทธโอวาสซิเดินตามท่านเถิดและพนทุกข์ได้จริงๆต้องเชื่อมั่นตรงนี้นั้นคนเจ้าอุบัติเกิดขึ้นมาเพื่อพวกเราที่มีทุกข์มีชาติที่ทุกข์มีชาติทุกข์มีญาติที่ทุกขมีเมรณะทุกข์มีความโศกความล่าไรําพันธุ์ไม่สบายทายไม่สบายใจความค้าแค้นใจนี่แหละ เห็นไหมว่าความทุกข์ทั้งหลายเหล่านี้มันแผดเผากระแสชีวิตของเราเนี่ยปัญหาประสาททั้งหลายเนี่ยพระเจ้ทาทัศนรู้แล้วพุทโธโลเกอุปันโนพระเจ้าอุบัตเกิดขึ้นแล้วในโลกนี้ใช่ไหมและพระธรรมพระองค์ได้ทรงสแสดงแล้วสงสาวโลกของพระเจ้าก็อุบัติเกิดขึ้นใ้เห็นแล้วเราต้องเชื่อมัน่นในตรเนี้ยเพียงแต่เราเข้ามารับพุทธโอวาท ด, ด้วยด้วยความเคารพกับพุทธโอวาท ด, ด้วยความเคารพ แล้เป็นลูกที่ดีอ่ะเป็นลูกที่ดีของพอ่อของพระพุทธเจ้าอย่าไปบิดพุทธพจต์เดินตามท่านเธอคนที่เดินตามท่านปฏิบัติตามท่านบรรลุหมดแล้วเหลือแต่คนที่ที่ไม่เชื่อท่านเน่ยเหลือแต่คนที่ไม่เชื่อท่าน น, น่ฉะนั้นเชื่อพระพุทธเจ้าเดินตามและปัญญาจะเกิดพระพุทธเจ้าจะให้ปัญญาเพเชื่อแล้วเราเข้าหาท่านท่านก็ให้ตาปัญญาเรา ให้ปัญญ า, านางประตาจาราล้องร้องให้นะร้องให้นะบอกว่าข่าแต่พระองค์ผูเ้เจริญใช่ไหช่วยข้าพเจ้าด้วยสามีก็ตายในป่าเตียวมีที่พึ่งแล้วลูกคนเล็กก็ถูกเหยียวเชียวไปลูกคนโตก็ตกน้ำตายตัวหน้ า, าตตาพ่อแม่ พี่ชายก็ตายบนเชิงตกอนพวกเราไม่มีที่พึ่งเราก็คือนางบัตาจาลานะ่คนเดียวกันเนะพ่อก็ตายแม่ก็ตายเราเนี่ยพี่เราก็เคยตายมาแล้วน้องก็ตายมาแล้วพ่อแม่พี่ปู่ย่าตายายตายเราไม่มีที่พึ่งมานานแล้วเนี่ยพวกเราเนี่ยพวกเราพวกพวกอะห้ที่พึ่งในสังสารวัตที่ผ่านมาเนี่ยเขาตายหนีเราหมด เราไม่มีท <Yeah. S 1> ี own, it, it sort of ่พึ่งไรเพราะเราวิ่งเกาะอะไรไปทั่วหมดแหละพระเจ้าบอกว่าถ้าใครรู้ตัวเองว่าตนเองคือนางบตาเจลาเมื่อไหร่จะเข้าป่าพระเจ้าถูกถ้ายังเป็นสังขานโอูน่าสงสารนางบตาเจราแต่ตนเองเนี่ยไม่ใช่นางบตาเจราเลยเนี่ยมันจะเข้าไม่ถูกไปสังขารว่าโอ้เรื่องเนี้ยเป็นเล่าเรื่องของคนอื่นแท้จริงมันเรื่องของเราเนี่ยเรื่องของเราที่แหละนางบตาเจราก็คือเรื่องเราที่แหละ พ่อเราก็ตายแม่เราก็ตายปู่เราก็ตายยา่าเราก็ตายน้องเราก็ตายพี่เราก็ตายลูกเราก็ตายตายหมดเราก็เป็นคนกระเสิร์กระเซิรมาในสังสารวัตรเนี่ยเที่ยวเวียนว่าตายเกิดในสังสารวัตรมาเนี่เราวิ่งหาที่พึ่ไ ง, งไปท่วงมั่วไปหมดแล้วนะตอนนี้พุทโธโลเกลปันโนไงพระครูมีประภาษเจ้าอุบัติเกิดขึ้นแล้ว พระธรรมพระองค์ก็ทรงแสดงแล้วธรรมาจักรกลังหมุนนี่เป็นไปอยู่สงสาวะของพระพุทธเจ้ากุศลเกิดขึ้นแล้วใช่ไหมล้วเออเราก็สมาทานเราจะเป็นลูกที่ดีของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราจะให้เราจะตามพุทธโอวาเราจะตั้งใจฟังคำสอนของทาง่านและศึกษาปฏิบัติแล้วจะต้องเอาตอนเองให้ออกจากอีกไทยมหันต้นี่ได้มันเป็นทษเด็ดถ่ายมากเลย มันเป็นภัยมากมองใก้ตัวเน่ยตายหมดนะเนี่ยที่นั่งๆๆจะอยู่เนี่ยไม่มีเหลือเราจะเอาไปพึ่งกับใครเนี่ยเรยังพึ่งใครหันดูหน้าพอ่อเดี๋ยวก็ตายแม่ก็ตายเราก็ยังตายเลยเนาะนั่นแหละคือคนที่มันจะตายจะทั้งนั้นใช่ไหมล่ะ เ, เคยตายกําลังจะตายแล้วจะไปตายเลยนะโนคตเราอยู่อย่างไม่มีที่พึ่งนะถ้าเราไม่มีสลาณะเนี่ยกลุ่มวะยิทำนั้นแหละเราเนึกว่าเรามีความสุขอยู่ไม่มีที่พึ่ง จริงๆแล้วเราเลียวและท้ายและขวาเนี่ยเราไม่ใจจะขาดตายกันหมดแล้วจริงๆดูข้อที่จริงเป็นอย่างนั้นโดยแา้แต่เราไปคิดว่าเดี๋ยวเอายูเาดี๋ยวได้ต่างๆชีวิตแค่นั้นแหละแต่จริงๆก็คือว่าให้มองถือว่าสัตว์นี้เคยตายกำลังตายและจะต้องไปตายเราไม่ใช่ทิ้งึ่งเพราะเราไปยึดโยงอยู่ไงยึดโยงที่บุตรที่ซัที่สามีที่ลูกเป็นต้น ทียากเพราะเราไปยึดโยงไปห่วงคนอยู่ไงเราก็นึกว่าอันนั้นเน่ยที่เกาะจะมันขุพ่นเลยนยอมเนะ่ไม้ผุพุดทางนั้นอย่างที่เราเกาะกันอยู่เนี่ยเป็นไม้ผุมันไม่มีแกน่นไม่มีสาระอะไรเลยที่เราเกาะก็พังเกาะก็พังเกาะก็พังก็มีสารณะนะลอยมาแล้วเนี่ยก็ก็ก็เลยตั้งมันสิเดินตามเหนื่อยไม่เป็นไร ยอมเลยข้หาทรัพย์มาเนี่ยใช่ไหมล่ะยอมกล้าตายมานะหาทรัพย์เนี่ ย, ยทัโลกเนี่ยขับรถกัางค่ำกลางคืนจะเฉียวชนตายมาอะไรก็ไม่รู้นั่งรถนั่งเรือสรารพัดเครียดเส้นสมองจะแตกมาอะไรก็ไม่รู้ทาไมเราทุ่มขนาดนั้นละ่ะแค่จะเอาข้าวใส่ท้องเป็นวันวันวันวันวันวัไมต้องทุ่มเทชีวิตขนาดนั้นล่ะ เออน่าชิดมล่ะทำไมเราต้องทุ่มเทชีวิตขนาดนั้นไอแค่จะอยู่แค่พบเดียวเนี่ยแต่วิชาหลักการที่จะทำให้เราเดินออกจากคนจากวัาจะทุกข์ทำไมไม่ทุ่มชีิดล่ะเรืเราตัดสินใจไม่ได้แล้วห่วงใครใครห่วงแล้วมีพระเจ้าเนะห่วงเราจริงๆพระเจ้าบอกว่าดูก่อนปรปตาจะลา แต่ถาคสร้างบา ร, รมีม า, า, ายี่สิบอสงไขยิ่งด้วยแสนหมากลับเนั่เหนืห่อยมากนะก็เพื่อเธอที่แหละแล้วก็หันมองพระพักพรพเจ้าก็ถามตัวเองดิโอ้โหให้พนะเจ้าพูดแต่เราในใจเราอะ่ะวันเนี่ยพระองค์มาเป็นบา ร, รมีมาเพื่อเรานะฉะนั้นที่ผ่านมาเรารักพระเจ้าน้อยไปถากได้เลคิดถึงท่านน้อยไปยรับฟังโอวาทท่านน้อยไปด้วย ถ้าเกิดสมาทานให้มั่นคงเราจะเดินและงานเนี้ยเราหาทรัพย์พาทั้งชีวิตเรายังแลกได้ขับรถขึ้นลองขึ้นลองขึ้นลองโอ้โหงแม้เรับชีวิตเนี่ยเราคิดว่ามันเป็นที่พึ่งจริงหรือไม่ใช่ไงไม่ใช่ไงมาวันนี้เราก็ได้คำตอบกันหมดแล้วนี่ไม่ใช่ที่พึ่งไม่ที่พึ่งจริงแล้วเขาจะยัง ถ้าโยนนี้ไปเสร็จคําตอบมันจะชัดเลยก็เดินเดินตรงไปตรงนั้นตรงนี้ก็คือว่าที่ชี้ประเด็นตรงนี้มาก็คือว่าโอาไม่มีใครหย่างดีกับเราเท่าพระเจ้าไม่มีใครใครักเราเท่าพระเจ้าไม่มีใครคิดถึงเรามากกว่าพระพุทธเจ้าคิดถึงเราเวลาพระองค์สร้างบารมีแต่ละข้อนะพระองค์ก็ผูกผูกพวกเราไว้ในตน้น จะให้ทานแต่ละครั้งก็ต้องผูกสัตว์ไว้ในตนผูกบารมีไว้ในตนนะแต่เราไม่รู้จักพราะจริยาคุณไงเราไม่รู้ไงเราไม่รู้ว่าโอ้โหคนที่เหนื่อยเหนื่อยไม่ใช่เหนื่อยอย่างอย่างมีเหนื่อยก็จะผลก็จะพาเราหาทางออกให้พบแต่มันก็มีสองประเภทไงโลกภูริยาเหมือนราชภุมานะ้ร เออเข้าไปเหมือนพระราชาพวกเราเหมือนราชกุมารเป็นลูกของพ่อมีสองกลุ่มเนือนดื้อกับไม่ดื้อนะป็นเจ้ามาพ่อกว่าเอาหารเรียบๆมากินบางคนวิ่งวิ่งมามันเด็กไงนะพระเจ้าไปเห็นเราเป็นเด็กไงให้อาปากจะเอาให้กินเนี่ยวิ่งหนีไปไม่กินไม่กินอะไรก็ไม่รู้กินเตี้กินอิดกินสาย ก็พยายามกล่อมบอกว่าอย่าไปกินมันเป็นอันตรายอย่าไปกินนะลูกนะมันจะมันเป็นอันตรายมันลําบากกินทําไมนั่นอุจละกินทําไมลูกนั้นดินกินทําไมลูกอาหารดีๆกินแล้วจะได้เจริญเติบโตไม่เป็นอันตรายต่อชีวิตนี่เป็นโอชาลเลิศพระธรรมของพุทธเจ้าเนี่ยก็คือโอชาที่เลิศต้องคอยบอกประเลาก็โลมนะ ทั้งทั้งที่ได้อาหารดีได้ของดีมาแล้วเนี่ยยังต้องมาบอกกับคนที่ไม่รู้เรื่องอ่ะมันวิ่งกันท่านวนเลยเนี่ยวิ่งกันท่านวนนะมันบอกว่าอย่างนี้ที่โตเร็วพ่อมันไปมันทัวร์อย่างเนี้ยส่วนผสมเนี่ยโตเร็วพ่อไอเดนโตงเนี่ยมันไม่เชื่อดือ้อเนี่ยพอพอมองนี่เราจะเห็นชัดโอ้เราเป็นลูกดื้อดีไม่ไม่เชื่อพ่อโทอต้องการไม่เชื่อ เห็นไ่ะทุกข์จริงโว้ยทุกข์จริงโว้ยอยู่ก็เป็นนอนแซวบนเตียงคนไข้ไข้ตายไม่เชื่อโดนผาตัดร้องเรียกแต่หมออยู่นั่นแหละยังไม่รู้อีกหมอเป็นมะเร็งตายไม่รู้เท่าไหร่เลยยังรู้เรื่องอีกไม่ใช่สารณะไม่ใช่สารณะข้อทจริงเป็นแบบนี้เราหาสารณะติดกันเนี่ยเราวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งกบผ่านไปทั่วมั่วไปเล แต่มันก็น่าคารุณากันนะถ้ามันคิดอย่างนี้เออเรามองถึงว่ามีใครสักคนเหนื่อยมาพวกพวกเรามาทั้งยี่สิบสอาสัตวายี่ยี่สิบประสงค์แต่เราไม่เคยเห็นคุณสวดมนต์ไม่เห็นคุณไหว้พระไม่เห็นคุณอยู่วักก็ไม่เห็นคุณหรืออะไรติดตาบังใจเราแต่เราก็เว้ว่าไม่เห็นคุณเราก็เห็นนะ เขาไหวก็ไหวอ่ะพูดทางตะนาลังคาชามีกักคาชามีเลยเขาเนี่ยเลยคาชามีคาชามีน้นั่นมันจะไปเข้าถึงลุยไปเรียนอ้อมไม่ไหวกอย่างวนะอย่ากให้นั่นฟังเอยมากๆนี่ไม่เอาแล้วทดลองวิชาหาข้าวกินดิบ น, นั่งจ้องตาเขงมงจดยิ่งเยียกๆๆๆๆเลยนะตองเวลาขึ้นตรงเวลาแล้วแหนไปเบเสร็จเขาให้ทําอะไรทำหมด พอาบอนี่วิจัยวิญญาณิพนธ์มาใช้ไม่ได้ต้องไปทําใหม่เป็นหนี้เป็นสินเราไม่มีเงินเนี่ยผู้นี่ยืมสินเราเนี่ยบางคนเนี่ยเป็นหนี้เลยนะยอมเลยนะไอ้วิชาหาข้าวเสี่ท้องนี่ยเหนื่อยกัยนพิจิวิณเอาหมดเพงจะเอาใบ ป, ประกาศมาเนี่ยปริญญาแบบนี้พยพระเจ้าบอกปริญญาปลอมปริญญาเนี่ยพระเจ้าก็เยสังปริญญา ให้เธอทําปริญญาในทุกเข้าใจไหมให้ทําปริญญาตรงนี้อันนั้นมันไม่จบจริงไงจบแล้วกลับไปเรียนใหม่จบแล้วกลับไปเรียนใหม่มันได้มามรู้ ก, กี่ล้านล้านหตะวันแล้วแล้วก็จบนะสมมุตินะเราไม่ใจขาดตายเป็นเกิดเป็นเด็กอีกกลับมาต้องมาเรียนใหม่เหมือนเนี้ยขอปริญญาเก่าเขาให้ไหมไม่ให้เอง มันป้อมไงแต่ว่าเราก็รู้สังคมโลกพุทเจ้าไม่ได้ไปขวางนะแต่ว่า อ, ออะไรที่มันควรจะทุ่มทั้งชีวิตอะไรที่มันจะทำเพื่อให้ดูแลอัตภาพร่างกายครอบครัวให้เป็นไปได้เพราะอะไรไอ้อยู่ในพบเนี่ยห้าสิบหกสิบปีแาดสิบปีอย่างนี้ไม่เกินร้อยปีเนี่ย สูงสุดจะไปเกินร้อยปีทำไมทำไมทุ่มขนาดนั้นน่ะทุ่มขนาดนั้นแต่ที่มันจะไปไม่รู้กี่ล้านล้านอาตภาพไม่กลา้าไม่มีเวลาไม่มีเวลาไม่มีเวลาเออนี่ไปคิดเ ไ, ไปคิดดูนะว่าเออเป็นพรออะไรเป็นพระ อ, อะ เลือกมาคิดผิดผิดหรือป่าว่ามาชิดผิดเบางคนมาหาก็บอกาโอ้โหวมทนากับท่านนะโอ้บวชดีเลท่านยมาบวชได้เที่ไม่มีเวลาไรู้ความรู้สึกเขาคิดว่ามันดีจริงหรือเปล่าเนือาบวช่มันดีจริงไหมดีจริงไ นี่นตรงนี้เราคือประเด็นก็อยู่ตรงที่ว่าเราเรามาพิจารณาลัวษณะอย่างนี้ก็คือจะได้เข้าใจว่าทำไมน้อชีวิตของเราทำไมถึงจะต้องเดินตามพุทธโอวาทอย่างชัดเจนนะชีวิต